รรมบทแปลเรื่องชำผู้กาชีวกะภาคที่สเรื่องที่ห้าห้าพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารอบจำผู้กาชีวกะรัพระธรรมเทศนานี้ว่ามาเสมาเสกุสักเคนะพาโลพุนเชธะโพชนัง นะโสสังคาตะธรรมมานังกะลังอักคติโสระสิงแปลว่าคนผ่านพึงบริโภคโภชนะด้วยปลายยาคาทุกๆุกเดือนเขาย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกแห่งท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้วได้ยินว่าในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะ ในอดีตการกุดุมพีชาบ้านคนหนึ่งสร้างวิหารถวายแก่พระเถระรูปหนึ่งแล้วบำรุงพระเถระอยู่ในวิหารนั้นด้วยปัจจัยสี่พระเถระฉันในเรือนของกุดุมพีนั้นเป็นนิดครั้งนั้นพิษสุขขีนาศพรูปหนึ่งเที่ยวบินบาตในกลางวันถึงประตูเรือนของกุดุมพีนั้น กุดมพีเห็นพระกีนาศพนั้นแล้วเลื่อมใสในอิริยบทของท่านนิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนอังคาดคือถวายอาหารด้วยโภชนะอันประนีตโดยเคารพถวายผ้าสาดกผืนใหญ่ด้วยเรียนว่าท่านผู้เจริญท่านพึงย้อมผ้าสาดกนี้นุ่งเถิดดานี้แล้วก็เรียนอีกว่าท่านผู้เจริญ ผมของท่านยาวกระผมจะนำช่างกระบบกคือช่างตัดผมมาเพื่อประโยชน์แกอันปลงผมของท่านจะกให้จัดเตียงมาเพื่อประโยชน์แก่การนอนภิกษุผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิดคือภิกษุกุลุปกะเห็นสักการะของพระกีนาศนั้นแล้วไม่อาจยังจิตให้เลื่อมใสได้คิดว่า กุดุมพีผู้นี้ทำสักการะนั้นเห็นป่านนี้แก่ภิกษุผู้ที่ตนเห็นแล้วครู่เดียวแต่ไม่ทำแกเราผู้ที่เป็นภิกษุกุลุกปะกะคือภิกษุผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิดหนดังนี้แล้วจึงได้ไปสู่วิหารแม้ภิกษุกีนาศพนอกนี้ก็ไปกับภิกษุเจ้าถิ่นนั้นด้วยภิกษุที่เป็นระ ก, กันตุกะที่เป็นขีนาศพนั้น ย้อมผ้าสาดกที่กุดุมพีถวายนุ่งแล้วแม้กุดุมพีก็พาช่างกระบกไปให้ปรงผมของพระเทระให้คนลาดเตียงไว้แล้วเรียนเชิญว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงนอนบนเตียงนี้แหละและกุดุมพีนั้นก็นิมนต์พระเทระทั้งสองรูปเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นก็ได้หลีกไปฝ่ายภิกษุ เจ้าทินผู้ที่เป็นภิกษุกุลุปะกะคือภิกษุผู้ฉันอยู่ในเรือนของกุดุมีนั้นเป็นนิดไม่อาจอดกลั้นสักการะที่กุดุมีทำแก่พระกี่นาศนั้นได้ตอนดาาพระอรหรันด้วยอาการสี่มีโทษขณะในเวลาเย็นเธอได้ไปสู่ที่พระเทระนั้นนอนแล้วดาด้วยอาการสี่อย่าง ดังนี้ว่าอาการตุกะผู้มีอายุการเคี้ยวกินคูดประเสริฐกว่าการบริโภค พ, พัดในเรือนของกุดุมพีการให้ถอนผมด้วยแปรงตาลประเสริฐกว่าการปลงผมด้วยช่างกันระบบที่กุดุมพีนั้นนํามาการเปลือยกายเที่ยวไปประเสริฐกว่าการนุ่งผ้าสาดกที่กุดุมพีถวายการนอนเหนือแผ่นดิน ระเสิฐกว่าการนอนบนเตียงที่กุดุมปีนำมาดังนี้แล้วฝ่ายพระเถระที่เป็นกีนาศพนัน้นคิดว่าคนผ่านนี้อย่าได้ชิบหายเพราะอาศัยเราเลยดังนี้แล้วก็ไม่เอื้อเฟื้อถึงการนิมนต์ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ไปตามสบายแล้วฝ่ายภิกษุ้าถิ่น ทำวัดที่ควรทำในวิหารแต่เช้าตรู่แล้วเขาระฆังด้วยหลังเล็บเท่านั้นด้วยสำคัญว่าเวลานี้เป็นเวลาเที่ยวพิคษาแม้ในบัดนี้พิกสุอา ก, การตุกตาหลับอยู่เธอพึงตื่นด้วยเสียงระฆังดังนี้แล้วตัวเองก็ได้เข้าไปสู่ในหมู่บ้านเพื่อบินดบาบแม้กุดุมพีนั้นทำสาการะแล้ว และดูทางมาของพระเทระทั้งสองเห็นภิกษุเจ้าทินผู้เป็นกุลุ ป, ปกะคือผู้ที่ฉันในเรือนเป็นนิดจึงได้ถามขึ้นว่าท่านผู้เจริญพระเทรออีกรูปหนึ่งไปไหนล่ะครับที่นั้นภิกษุเจ้าทินกล่าวกับกุดุมปีนันว่าผู้มีอายุอย่าได้พูดถึงเลยภิกษุผู้ฉันเป็นนิดในเรือนของท่าน เข้าสู่ห้องน้อยในเวลาที่ท่านออกไปเมื่อวานก้าวลงสู่ความหลับเมื่อข้าพเจ้าทำเสียงกวาดพิหารก็ดีเสียงกรอกน้ำในหม้อฉันและหม้อน้ำใช้ก็ดีเสียงระฆังก็ดีตั้งแต่เช้าตรูก่ก็ยังไม่รู้สึกเลยกรุมพีนั้นมีความคิดว่าชื่อว่าการหลับจนถึงการนี้ย่อมไม่มีแก่พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประกอบด้วยอิรยิยาบถ สมมาบัติเช่นนั้นแต่ท่านผู้เจริญรูปนี้จะกล่าวคําอะไรอะไรแน่นอนเพราะเห็นเราทําสการะแก่ท่านและเพราะความที่กุฎุมพีนั้นเป็นบัณฑิตจึงได้นิมนต์ให้ภิกษุฉันโดยกรรพล้างบาทของท่านใด้ดีแล้วเติมด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าท่านพึงเห็นพระเถระ ผู้เป็นเจ้าของกระผมท่านบึงสบายบินดาบานี้แก่พระผู้เป็นเจ้านั้นภิกษุเจ้าทินนั้นพอรับบินดบานก็จึงมีความคิดว่าถ้าภิกษุผู้นั้นจะบริโภคบินดบาตเห็นป่านนี้ไซ้เธอก็จะคล่องอยู่ในที่นี้เท่านั้นภิกษุเจ้าทินจึงได้ทิ้งบินดาบานั้นในระหว่างทางไปสู่ที่อยู่ของพระเถระ แลดูพระเทระนั้นในที่นั้นไม่ได้เห็นแล้วที่นั่นสมณธรรมแม้ที่เธอทำไว้สิ้นสองห0ื่นปีก็ไม่อาจ ร, รักษาเธอได้เพราะเธอทำกรรมประมาณเท่านี้ในการสิ้นอายุเธอเกิดในอเวจีเสวยทุกข์เป็นอันมากสิ้นพุทธดอนหนึ่งในพุทธุปาบาทการนี้เกิดในเรือนแห่งตระกูล ซึ่งมีข้าวและน้ำ ม, มากแห่งหนึ่งในพระนครราชกุลตอนโทษของการด่าพระรันจำเดิมแต่การที่เดินได้ด้วยเท้าเขาไม่ปรารถนาเพื่อจะนอนบนที่นอนทีเดียวไม่ปรารถนาเพื่อจะบริโภคพัดเกี้ยวกินแต่อุจจาระของตนเท่านั้นมารดาบิดาเลี้ยงต่รกนั้นด้วยสำคัญว่า เด็กไม่รู้เพราะยังอ่อนจึงได้ทำไปแม้ในเวลาที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่ปรารถนาเพื่อจะนุ่งผ้าเป็นผู้เปลือยกายเที่ยวไปนอนบนแผ่นดินเกี้ยวกินอุจจาระของตนเท่านั้นลำดับนั้นมารดาและบิดาของเขาคิดว่าเด็กนี้ไม่สมควรแก่เรือนแห่งสกุลเด็กนี้สมควรแก่พวกอาชีวะกะ ใ น, นนี้แล้วจึงนำไปสู่สํานักของอาชีวกเหล่านั้นได้มอบให้ด้วยคำว่าขอท่านทั้งหลายจงยังเด็กนี้ให้บวชเถิดลำดับนั้นพวกอาชีวกเหล่านั้นก็ให้เด็กนั้นบวชแล้วก็แลครั้นให้บวชแล้วพวกอาชีวกะนั้นตั้งเขาไวในหลุมประมาณเพียงคอวางไม้เรียบไว้ บนจงอยบาทั้งสองนั่งบนไม้เรียบเหล่านั้นทอนผมด้วยท่อนแห่งแปรงตานลำดับนั้นมารดาบิดาของเขาเชิญอาชีวะกะเหล่านั้นเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ได้หลีกไปวันรุ่งขึ้นพวกอาชีวกกล่าวกับเขาว่าท่านจงมาพวกเราจะเข้าไปสู่ในหมู่บ้านเขากล่าวว่า ขอเชิญพวกท่านไปเติดข้าพระเจ้าจะอยู่ในที่นี้แลดังนี้แล้วก็ไม่ปรารถนาครั้งนั้นอาชีวกทั้งหลายได้ละเขาผู้กล่าวแล้วแล้วเล่าเซึ่งไม่ปรารถนาอยู่ไปแล้วฝ่ายเขาทราบความที่อาชีว ก, กเหล่านั้นไปแล้วเปิดประตูห้องน้ำลงไปกินอุจจาระพั้นให้เป็นกรรมด้วยมือทั้งสอง พวกอาชีวกทรงอาหารไปจากภายในบ้านเพื่อเขาเขาไม่ปรารถนาแม้อาหารนั้นแม้ถูกพวกอาชีวกกล่าวอยู่บ่อยๆก็กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการอาหารนี้อาหารอันข้าพเจ้าได้แล้วพวกอาชีวก ก, ก็ถามว่าท่านได้อาหารแต่ที่ไหนเขาตอบว่าได้ในที่นี้นั่นเอง แม้ในวันที่สองที่สาที่สเขาถูกพวกอาชีวกนั้นกล่าวอยู่แม้มากมายอย่างนั้นก็ยังกล่าวว่าข้าพเจ้าจะอยู่ในที่นี้แหละไม่ปรารถนาเพื่อจะไปบ้านพวกอาชีว ก, กะคิดว่าอาชีวกผู้นี้ไม่ปรารถนาจะเข้าบ้านทุกๆวันทีเดียวไม่ปรารถนาจะกลืนกินอาหารที่พวกเรานํามาให้ เราวอยู่ว่าอาหารเราได้แล้วในที่นี้เดียวเขาทำอะไรหนาแลพวกเราจะจับผิดเขาหนัอนี้แล้วเมื่อเข้าไปสู่ในหมู่บ้านเว้นคนไว้หนึ่งสองคนเพื่อจับผิดซึ่งอาชีวกนั้นแล้วจึงไปอาชีวกะที่อยู่คอยจับผิดเป็นราวกบไปข้างหลังซ่อนอยู่แล้วแม่เขา รู้ความที่อาชีวกเหล่านั้นไปแล้วจึงลงสู่ห้องส้วมกินอุจจาระโดยในยักก่อนนั่นแหละพวกอาชีวก ค, คนอื่นที่คอยเฝ้าดูอยู่เห็นกิริยาของเขาแล้วจึงบอกแก่อาชีวกทั้งหลายพวกอาชีวกฟังคํานั้นแล้วคิดว่าโอ้กำหนักถ้าสาวกของพระสมณโคดมพึงรู้ใช้ พึ่งประกาศความเสื่อมเกียรติของพวกเราว่าอาชีวกทั้งหลายเที่ยวกินอุจจาระอาชีวกนี้ไม่สมควรแก่พวกเราจึงขับไล่เขาออกจากสำนักของตนแล้วเขาถูกพวกอาชีวกเหล่านั้นไล่ออกมาแล้วในเมือง น, นั้นมีหินดานก้อนหนึ่งที่เขาลาดไว้ในที่ถ่ายอุจจาระของมหาชนมีกระพังใหญ่ บนแผ่นหินนั้นมหาชนอาศัยหินดานเป็นที่ถ่ายอุจจาระเขาไปในที่นั้นกินคูดกูจระในตอนกลางคืนและในการที่มหาชนมาเพื่อต้องการถ่ายอุจจาระเนียวก้อนหินข้างหนึ่งด้วยมือข้างหนึ่งยกเท้าข้างหนึ่งตั้งไว้บนเขา่ายืนเงยหน้าอ้าบากอยู่ มหาชนเห็นเก่าแล้วเข้าไปหาไหว้แล้วถามว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุไ ร, รพระผู้เป็นเจ้าจึงยืนอ้าปากอาชิวกเพราะเรามีลมเป็นปักษาอาหารอย่างอื่นของเราไม่มีมหาชนก็เมื่อเชนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงยกเท้าข้างหนึ่งตั้งไว้บนเก่ายืนอยู่เล่าก็รับอาชิวกเรามีตาบาสูง มีตะบากล้าแผ่นดินถูกเราเหยียบด้วยเท้าทั้งสองย่อมหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเราจึงยกเท้าข้างหนึ่งไว้บนเขายืนอยู่ก็แลเรายืนอย่างเดียวยังการให้ล่วงไปไม่นั่งไม่นอนขึ้นชื่อว่าพวกมนุษย์โดยมากมักเชื่อเพียงถ้อยคำเท่านั้นเพราะฉะนั้ น, นชนชาวแคว้นอังคะและมะคธโดยมาก จึงรือกระชอนว่าโอ้น่าสะใจจริงท่านผู้มีตบะชื่อแม้เห็นปานนั้นมีอยู่ผู้เช่นนี้พวกเรายังไม่เคยเห็นดัง่นี้แล้วก็ย่อมนำสักการะไปเป็นอันมากทุกๆเดือนอาชีบกนั้นกล่าวว่าเรากินลมอย่างเดียวไม่กินอาหารอย่างอื่นเพราะเมื่อเรากินอาหารอย่างอื่นตบะย่อมเสื่อมไป หนนี้แล้วไม่ปรารถนาของอะไรๆที่พวกมนุษย์เหล่า น, นั้นนํามาพวกมนุษย์อ้อนวอนบ่อยๆว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าให้พวกกระผมชิบหายเลยการบริโภคอันคนมีตบากกล้าเช่นท่านกระทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกกระผมสิ้นกาลนานอาชีวกนั้นจึงกล่าวว่า เรานั้นไม่ชอบใจอาหารอย่างอื่นแต่ถูกมหาชนรบ ก, กวนด้วยการอ้อนวอนจึงวางเพสัตมีในใายสาและน้ำอ้อยเป็นต้นอันชนเหล่านั้นนํามาที่ปลายลิ้นด้วยปลายยาขาแล้วส่งไปด้วยคำว่าพวกท่านจงไปเถิดเท่านี้พอละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านทั้งหลายอาชีพวกนั้นเป็นคนเปลือย เคี้ยวกินอุจจระถอนผมนอนบนแผ่นดินให้การล่วงไปห้าสิบห้าปีด้วยประการชนี้ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดช่ำผู้กาชีวกการตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งเป็นพุทธกิจแม้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงล้าโดยแท้เพราะฉะนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งวันหนึ่งชมผูกาชีบกนี้ปรากฏในข่ายคือพระาญาณแล้วพระศาสดาทรงไกรครวนว่าอะไรหนอแลจะมีทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอารหาัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาของเขาแล้วทรงทราบว่า เราจะทำจำผู้กาชีวกนั้นให้เป็นต้นแล้วกล่าวคาถาคาถาหนึ่งในการจบคาถาสัดพจะตรัสรธรรมอาศัยกุลบุตรนี้มหาชนจักถึงความสวัสดีดังนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นก็เสด็จเที่ยวไปในกรุงราชกฤรืเพื่อบินดาทเสด็จกลับจากบินดาทแล้ว รัตกับพระ อ, อนนทเทรว่า อ, อนนท์เราจะไปสู่สำนักของชัมภูกาชีวกนั้นพระ อ, อนน์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เท่านั้นจะไปหรือพระชข้าพระศาสดาอย่างนั้นเราจะไปผู้เดียวพระศาสดาครั้นตรัสอย่างนั้นแล้วในเวลาบ่ายเสด็จไปสู่สำนักของชัมภูกาชีวกนั้น เทวดาทั้งหลายคิดว่าพระศาสดาจะเสด็จไปสู่สำนัก ข, ของชัมพูกาชีวกในเวลาเย็นก็ชัมพูกาชีวกนั้นอยู่บนหินดานน่าเกลียดเป็นที่ถ่ายอุจจาระปัสวะเศร้าหมองด้วยไม้ชมาะฟันพวกเราควรให้ฝนตกดังนี้แล้วจึงยังฝนให้ตกกรู่เดียวเท่านั้นด้วยอนุภาพของตนหินดาน ได้สะอาดพระาศจากมลทินแล้วลำดับนั้นเทวดาทั้งหลายยังฝนเป็นวิการแห่งดอกไม้ห้าสีให้ตกลงบนหินด่านนั้นในเวลาเย็นพระาศาสดาเสด็จไปสู่สำนักของชัมพุกาชีวกแล้วได้เปล่งพระสุรเสียงว่าชัมพุกาชัมพุกาคิดว่านั่นใครน้อแล ช่างสอนยากเรียกเราด้วยวาทะว่าชัมพุกะจึงได้กล่าวขึ้นว่านั่นใครพระสัสดาเราเองชัมพุกะชัมพุกะมาทำไมท่านมหาสมณะพระสัสดาวันนี้เธอให้ที่อยู่ในที่นี้แก่เราสักคืนหนึ่งชัมพุกะท่านมหาสมณะที่อยู่ในที่นี้ไม่มีพระศัสดา จัมพุกะเธออย่าทำอย่างนั้นเธอจงให้ที่อยู่แก่เราสักคืนหนึ่งชื่อว่าพวกบรรพชิตย่อมเข้ากันได้กับบรรพชิตพวกมนุษย์ย่อมเข้ากันได้กับมนุษย์พวกปสัสสตว์ย่อมเข้ากันได้กับพวกปสัสสตว์จัมพุกะก็ท่านเป็นบรรพชิตหรอหรือพระศาสดาใช่แล้วเราเป็นบรรพชิตจัมพุกะก็ถ้าท่านเป็นบรรพชิต น้ำเต้าของท่านอยู่ที่ไหนทัพพีสำหรับโบกควันของท่านอยู่ที่ไหนได้สำหรับบูชายันของท่านอยู่ที่ไหนพระศา ส, ะสะดาน้ำเต้าเป็นต้นนั่นของเรามีอยู่แต่การถือเอาเป็นผนแผนกเที่ยวไปลำบากเพราะฉะนั้นเราจึงเก็บไว้ในภายในเท่านั้นแล้วเที่ยวไปอาชิวกนั้นโกรธ ว, ว่าท่านจะไม่ถือน้าเต้าเป็นต้นนั้น เที่ไปได้หรือลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับอาชีบุกนั้นว่าช่างเธอจำพูกะเธออย่ากโกรธเลยเธอจงบอกที่อยู่แก่เราเถิดเขากล่าวว่ามหาสมณะที่อยู่ในที่นี้ไม่มีพระศาสดาเมื่อจะทรงชี้เงื้อมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่อยู่ของเขาจึงตรัสว่า ก็ที่เงื้อมนั้นมีใครอยู่จำพุกะที่เงื้อมนั้นไม่มีใครอยู่พระศัสดาถ้าเชนั้นเธอจงให้เงื้อมนั้นแก่เราจำพุกะท่านจงรู้เองเถิดพระสัสดาทรงนำผ้าปูนั่งมาปูแล้วประทับนั่งที่เงื้อมนั้นตอนจมพุกาชีวกได้บรรลุพระอาหารหันต ระนั้นท้ามหาราชทั้งสี่ทำทิศทั้งสี่ให้มีความสว่างสวยัยมาสู่ที่บำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าในปฐมมยยามชัมพุกะเห็นแสงสว่างแล้วคิดว่านั่นคือแสงสว่างอะไรกันก็ในมชิมยามเท้าส ก, กัเดเทวราชเสด็จมาแล้วชัมพุกะเห็นแม้เท้าสักกะ เทวราชนั้นก็คิดว่าชื่อว่านั่นไกลกันในปจิมยามท้ามหาบรมผู้สามารถยังจั ก, กรวาลหนึ่งให้สว่างด้วยนิ้วมือนิ้วเดียวยังจักรวาลสองจักรวาลให้สว่างด้วยนิ้วมือสองนิ้วเป็นต้นยังจักรวาล10จักรวาลให้สว่างด้วยนิ้วมือ10นิ้วทําป่าทั้งสิ้น ให้สว่างสวัยชัมพุกะเห็นเต่าหมาบรมนั้นแล้วก็คิดว่านั่นใครนอแลังนี้แล้วจึงไปสู่สำนักของพระศาสดาแต่เช้าตรู่ทำการปฏิสันตรแล้วยืนนั่ที่ขวัข้างหนึ่งทูลถามพระศาสดาว่าท่านมหาสมณใครยังทิศ ท, ทั้งสี่ให้สว่างมาสู่สำนักของท่าน ในปฐมยามพระศาสดานั่นคือท้าวมหาราชทั้งสี่ชมพูกะเขามาเพราะเหตุไรเขามาเพื่อบำรุงเราก็ท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าท้าวมหาราชทั้งสี่อย่างนั้นหรือถูกแล้วชมพูกะเราแลเป็นพระราชายอดเยี่ยมกว่าพระราชาทั้งหลายก็แล้วในมัชชิมยามใครมาเล่าท้าวสกัดเทวราช เขามาพระเหตุไรก็มาเพื่อบำรุงเราเหมือนกันก็ท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเท้าสักกะเทวราช ห, หรือถูกแล้วชมพูกะเราเป็นผู้ยอดเยี่ยมแม้กว่าเท้าสักกะก็เท้าสกตะนั้นเป็นกิฬานุปตถะของเราเช่นเดียวกับสามเณรผู้เป็นกปัปยาการกรก็แล้วใครยังป่าทั้งสิ้นให้สว่าง มาแล้วในปัจจิมยามชมพูกะอาศัยคนผู้ใดชนทั้งหลายมีพรามเป็นต้นในโลกจามแล้วพลาดปรังแล้วย่อมกล่าวว่าขอความนอบน้อมจงมีแกมหาปร่มผู้นั้นแหละเป็นเท้ามหาปรหมก็ท่านเป็นยอดเยี่ยมแม้กว่าเท้ามหาปรหมหรือถูกแล้วัมพูกะ เราแล่เป็นปรมยิ่งแม้กว่าปรมท่านหมาสมณะท่านเป็นผู้อัศจรรย์ก็เมื่อเราอยู่ในที่นี้สิ้นห5บ้าปีบรรดาเทวดาเหล่านั้นแม้องค์หนึ่งก็ไม่เคยมาเพื่อบำรุงเราก็เราเป็นผู้มีลมเป็นปักษายืนอย่างเดียวให้การนานประมาณเท่านี้ล่วงไปแล้วเทวดาเหล่านั้น ไม่เคยมาสู่ที่บำรรงของเราเลยและแบบนั้นพระศาสดาตรัสกับจำพุกะนั้นว่าชำพุกะเธอลวงมหาชนผู้มืดบอดในโลกอย่างปรารถนาจะลวงแม้เราเธอเคี้ยวกินคูดเท่านั้นนอนบนแผ่นดินอย่างเดียวเป็นผู้เปลือยกายเที่ยวไปถอนผมด้วยท่อนแปลงตาลสิ้นห้าบห้าปี มิใช่หรือก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอลวงโลกกล่าวว่าเป็นผู้มีลมเป็นอาหารยืนด้วยเท้าข้างเดียวไม่นั่งไม่นอนยังเป็นผู้ปรารถนาจะลวงแม้ซึ่งเราแม้ในการกอนเธออาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าลามกเป็นผู้มีอุจจาระเป็นอาหารเช่นการประมาณเท่านี้เป็นผู้นอนเหนือแผ่นดิน ปุเลยกายเที่ยวไปถึงการถอนผมด้วยตอนแปรงตาลแม้ในบัดนี้เธอยังถือทิฏฐิอันชั่วช้าลามกเหมือนเดิมชัมพุกะท่านมหาสมณะก็ข้าพเจ้าทำกรรมอะไรไว้ลำดับนั้นพระศาสดาตรบอ ก, กรรมที่เขากระทำแล้วในก่อนแกชัมพุกะนั้น เมื่อพระาศาสดาตรัสอยู่นั่นแลความสังเวชเกิดขึ้นแก่เขาแล้วหิริโอตปะปาปรากฏขึ้นเขานั่งกระโยงแล้วลาดับนั้นพระาศาสดาได้ท่งโยนผ้าสาดสาหรับอาบน้าไปให้เขาเขานุ่งผ้านั้นแล้วถวายบังคมพระาศาสดานั่งนะที่กวนข้างหนึ่ง กายพระาศาสดาตรัอนุบุปปีกถาแสดงธรรมแก่เขาในการจบเทศนาเขามรลุพระอราชราด้วยปฏิสัมพิทาถวายบังคมพระาศาสดาแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งทูลขอบรรพชาอุปสมบทด้วยอาการเป็นเท่านี้กรรมในก่อนของชัมภู ก, กะนั้นสิ้นแล้ว ก็ชำู่กะนี้ดาพระมหาเถระผู้ขี่นาศบด้วยถ้อยคำหยาบคายคืออักโกสัตถุสี่อย่างไม่แล้วในอเวจีตราบเท่ามหาปฏิปีนี้นาขึ้นหนึ่งโยตยิ่งด้วยสามกาวุธถึงอาการอันหน้าเกลียดนี้สิ้นห้าสิบห้าปีด้วยเศษแห่งผลของกรรมในเพราะการด่านั้น กรรมนั้นของเธอสิ้นแล้วเพราะบรรลุพระอ ร, ร, ะราหันต์นั้นกรรมที่เธอทำแล้วนั้นไม่อาจยังผลแห่งสมณธรรมที่ชัมผู้กาชีวกนี้ทำแล้วสิ้นสองหมื่นปีให้ชิบหายได้เพราะฉะนั้นพระสัส ด, สดาจึงทรงเหยียดพระหัตเลื่องขวาออกตรัสกับชัมผู้กะนั้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถอ จงประพิโปรมาจันเถิดขนาดนั้นเองเพศครือขัดของเธอหายไปแล้วเธอเป็นผู้ส่งบริการ8ดได้เป็นประดุษพระเถระมีพันษาห0สแล้วตอนชำพูกะบอกความจริงแก่มหาชนได้ยินว่าวันนั้นเป็นวันที่ชาวอังคะและมะคตได้ถือสาการะ มาเพื่อชัมพูกะนั้นเพราะฉะนั้นชาวแว่นแควนทั้งสองถือสการามมาแล้วเห็นพระตถาโกดแล้วจึงคิดว่าชัมพูกะพูดเป็นเจ้าของพวกเราเป็นใหญ่หรือน้อยแลหรือว่าพระสมณโคดมเป็นใหญ่เขาได้คิดว่าถ้าพระสมณโคดมพึงเป็นใหญ่ชัมพูกะนี้พึงไปสู่สำนักของพระสมณโคดม แต่เพราะความที่ชัมพุกาชีวกเป็นใหญ่พระสัมณโกดมจึงเสด็จมาสู่สำนักของชัมพุกาชีวกนี้พระศาสดาทรงทราบความปริพิตกของมหาชนจึงตรัสกินว่าชัมพุกาเธอจงตัดความสงสัยของพวกอุปต า, ากของเธอเสียเธอจึงได้กราบาภูนว่า แม้ข้าพระองค์ก็หวังพระพุทธธรรรัตมีประมาณเท่านี้เหมือนกันพระเจ้าค่าหนันี้แล้วเขาจึงได้เข้าชานที่สลุกขึ้นหาะขึ้นสู่เวหาดประมาณชั่วลำตาลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกแล้วลงมาถวายบังคมเหาะขึ้นสู่เวหาด ประมาณเจ็ดชั่วลำตาลอีกด้วยอาการอย่างนี้แหละประมาณสองชั่วลำตาลประมาณสามชั่วลำตาลแล้วลงมายังมหาชนให้ทราบความที่ตนเป็นสาวกมหาชนเห็นเหตุนั้นแล้วคิดว่าโอ้ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้น่าสัจรันมีพระคุณไม่ซามเลยพระศาสดาเมื่อตรัสกับมหาชน จึงได้ตรัสขึ้นว่าชมผูกา น, นี้วางสักการะที่พวกท่านนํามาแล้วที่ปลายลิ้นด้วยปลายยาคาตลอดการประมาณเท่านี้อยู่ในที่นี้ด้วยหวังว่าเราบําเพ็ญการประพฤติตบะถ้าเธอบําเพ็ญการประพฤติตบะสิ้น100รปีด้วยอบ่ายนี้ใช้ก็การบําเพ็ญตบะนั้น ยังไม่ถึงเซีเ่ยวแม้ที่ส6หแห่งกุศลเจตนาเป็นเครื่องตัดพัดของเธอผู้รังเกียจสกุลในพัดและไม่บริโภคในบัดนี้เดือนนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบมนุษสนที่แสดงธรรมจึงได้ตรัสพระกาศนิว่าคนผานพึงบริโภคโภชนะด้วยปลายยากาทุกๆุกเดือนเขาย่อมไม่ได้รับผล แห่งการปฏิบัติมีค่าถึงเซี่ยวที่สิบกแห่งท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้วมาเสมาเสกุศเคนะพาโลพุนเชตะโภชนงนณะโสสังคาตะธรรมมานังกลํลลังอักคติโสลสิงปึงทราบเนื้อความแห่งกาตานี้ว่าถ้าคนพาล คือผู้มีธรรมยังไม่กำหนดรู้เหิ้ห่างจากกุณมีศีลเป็นต้นบนในรัที่เดียรติบริโภคโภชนะด้วยปลายยาคาทุกๆุกเดือนที่ถึงแล้วโดวยหวังว่าเราจะบำเพ็ญการประพฤติตบะพึงบริโภคโภชนะตลอดร้อยปีในข้อที่ว่าณนะโสสังขาตะ ธรรมานังกําลังหักคติโสดสิงแปลว่าเขาย่อมไม่ได้รับผลแห่งการปฏิบัติถึงเซี่ยวที่16แห่งท่านผู้มีธรรมอนนับได้แล้วข้อนี้แสดงเป็นบุคลาทิฏฐานว่าท่านผู้มีธรรมอันรู้แล้วคือผู้มีธรรมอันช่างได้แล้วเรียกว่าผู้มีธรรมอนนับได้แล้วบรรดาท่านเหล่านั้น ขั้นต่ำสุดพระโสดาบั น, ช, รร น, น, บ น, นบชื่อว่าผู้มีธรรมอนนับได้แล้วขั้นสูงสุดคือพระกีณาศพชื่อว่าผู้มีธรรมอนนับได้แล้วจนบานนั้นย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16ของท่านผู้มีธรรมอนนับได้แล้วเหล่านี้จนเนื้อความในข้อนี้พึงทราบว่าเจตนาของคนผ่านนั้นผู้บําเพ็ญการประพฤติบะ อย่างนั้นตลอดร้อยปีเป็นไปสิ้นราตรีนานเพียงใดย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ส6บแห่งกุศลเจตนาเรื่องตัดพัดดวงหนึ่งของท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้วรังเกียจสกุลหรือพัดแล้วไ ม, ม่บริโภคพระศาสดาตรัสอธิบายไว้ดังนี้ว่าผลแห่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจากผล แห่งเจตนาของท่านผู้มีธรรมอ น, นับได้แล้วซึ่งทำให้เป็น16ส่วนส่วนละ16ครั้งยังมากกว่าการประพฤติบะของชน่านเหล่านั้นในการจบเทสนาทรรมาพิสมัยได้มีแล้วแกสัตว์ 84,000 นะณที่นั่นเองเรื่องจำผู้กาชีวก